สิกขาบทที่ 9. ภิกษุนีใช้สามเณรีบีบนวดต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้บีบนวดต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบีบนวดแล้วต้องอาบัตปาจิตตี